บทที่85แพะเมืองผีสมานา์วัดป่ามะม่วงพำนักอยู่ที่ป่าอันเป็นอนาาบริเวณของภูคาตลอดราตรีได้ธทรมสากดจฉชาคือสนทนาธรรมกับภิกษุรัตัญโยจนข้อนรุ่งจากนั้นจึงจำวัดเป็นเวลาสองชั่วโมงการบรรลุธรรมทำให้จิตใจของท่านผ่องใสไร้ราคีหากกายยังคงลำบากตรากตราดังเดิม เพราะภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้ท่านไม่มีเวลาหาความสุขสบายทางกายอันเป็นของต่ำสำหรับพระอระิยะเจ้าแต่เป็นของสูงที่ปุถุชนคนครองเรือนพยายามไขว่คว้าหามาปรนเปรอตัวตนด้วยเข้าใจคิดผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้วันรุ่งขึ้น พระอริยเจ้าทั้งสององค์จึงพากันเดินทางไปยังแพะเมืองผีเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านพวกเขาถูกผีดิบรังควานจนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถึงขวัญเสียเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวกันทั่วหน้าเดินทางมากลางนาใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้านภิกษุรตัตนโยก็ยึดต้นมาขามป้อมเป็นที่พำนักบอกกับศิษฐ์ว่า เธอเข้าไปในหมู่บ้านคนเดียวเธอพวกเขานิมนต์เธอฉันอาหารแล้วเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เธอได้ช่วยแก้จงพาพวกเขามาพบเราที่นี่จะได้ไปปราบผีดิบด้วยกันปัญหาใหญ่ของพวกเขาในเวลานี้ก็คือถูกผีดิบรังควานแล้วหลวงพ่อไม่ฉันหรอครับถามพระความเคยชินเราฉันที่ใต้ต้นมะขามป้อมนี่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 เมื่อปีพุทธศักราช234ซึ่งนับถึงบัดนี้เป็นเวลานานถึง 2,281 ปีแล้วรีบไปกันเถอะพวกชาวบ้านเขาคอยความช่วยเหลืออยู่หลวงพ่อดำพูดปัดบทด้วยไม่ต้องการให้สิทธิ์สนใจเรื่องที่ไม่ควรสนใจท่านจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าบัดนี้ท่านได้ผู้ช่วยที่จะช่วยการเผยแผ่หลักธรรมคาสอน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 แต่แปลกตรงที่หน้าบ้านของแต่ละหลังจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่เท่าต้นขาทำเป็นรูปอวัยวะเพศ ช, ชายตรงปลายทาสีแดงวางนอนไว้บนหลักสองหลักหันปลายสีแดงออกไปทางทิศหน้าบ้านท่านอยากทราบว่าเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนี้เพราะอะไรครั้นชัยเห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงรู้ว่านั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขา ต้นไม้ที่ทำเป็นรูปอวัยวะเพศ ช, ชายเป็นเหมือนเครื่องลางของครังที่ขับไล่ผูดผีปีศาจที่มารังควานให้พ่ายแพ้ไปท่านรู้ว่านั่นมิใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยเห็นพระตุดงเดินเข้าหมู่บ้านมาประชาชนต่างพากันดีใจโดยหวังว่าท่านจะมาแก้ปัญหาให้พวกเขาได้คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนิมนต์ท่านไปที่เรือนตนซึ่งปลูกด้วยไม้สักทั้งหลัง และฝีมือประณีตงดงามกว่าหลังอื่นๆนิ ม, มนต์ทุเจ้าครับนิ ม, มนต์ฉันที่บ้านเฮานี่เลยครับผู้ใหญ่บ้านวัยห้าสิบเศษเชื้อเชิญด้วยภาษาพระภาษาถิน่นหาเสือมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนใส่ขันเงินมาถวายแล้วเรียกภรรยาและลูกสาวลูกชายมากราบท่าน สุอักันตุกะรู้สึกแปลกใจที่ลูกชายสองคนของผู้ใหญ่บ้านทาปากทาเล็บสีแดงทั้งคู่ส่วนลูกสาวสามคนและภรรยาของเขากลับไม่ได้ใช้สีสันแ ต, แต่งแต้มปากและเล็บแต่อย่างใดยอมผู้ใหญ่หมู่บ้านนี้เขานิยมให้ผู้ชายแต่งหน้าทาปากกันหรือท่านถามผู้ใหญ่บ้านเพิ่งสังเกตเห็นปากและเล็บบุรุษวัยห้าสิบเศษ ก็มีสีแดงเรื่อๆที่พอจะดูออกว่าไม่ใช่สีธรรมชาติมันมีที่มาครับทุเจ้าเขาบอกท่านพระครูและบอกภรยาและลูกสาวสามคนเข้าครัวไปเตรียมอาหารมาถวายท่านส่วนลูกชายสองคนนั่งอยู่กับผู้เป็นพ่อเล่าให้อัตมาฟังหน่อยได้ไหมได้ครับทุกเจ้าคือว่าหมู่บ้านเฮากำลังถูกผีอีกแก้วเอ้ผีนางแก้วรังควานครับ ผีนางแก้วมันกัดคอดูดเลือดกินแล้วมันก็กินเลือดแต่ผู้ชายผู้ชายในหมู่บ้านเฮาถูกผีนางแก้วกินคือละสองคนเล่นเอาหมู่บ้านเฮาหวาดกลัวไปตามๆกันก็เลยต้องหาวิธีป้องกันด้วยการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอกจากทาเล็บทาปากแล้วเวลานอนหมู่เฮาก็ต้องเอาพระถุงมานุ่มมันจะได้คิดว่าหมู่เฮาเป็นผู้หญิง เรียกว่าหลอกผีนางแก้วอย่างนั้นใช่ไหยครับทุกเจ้ามันอยากมาหลอกหมูเห่เฮาหมู่เฮาก็ต้องหลอกมันบ้างแล้วคิดว่าผีเขาไม่รู้หรือผีโงกว่าคนหรืออย่างไรมันบอหูหรอกครับทุกเจ้าเพราะคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงยังไม่เคยถูกมันกินแต่อีกหน่อยเขาต้องรู้ความลับไม่มีในโลกพวกโยมแก้ปัญหาไม่ถูกจุด กินละมุดถูกเม็ดแต่เอาเธออัตมาจะช่วยถึงอาจจะมาไม่ใช่หมอผีแต่ก็พอช่วยโยมได้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ในหลักอริยสัจสี่การจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องรู้ต้นตอของปัญหาแล้วก็แก้ที่ต้นต่อ น, นั้นพูดตามภาษาพระคือเราต้องรู้เหตุแล้วดับเหตุนั้นเสีย ไม่เหตุดับผลก็ดับแต่พวกโยมมาดับที่ปลายเหตุจึงแก้ปัญหาไม่ได้เอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเก่งมากสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วท่านอยู่ที่ไหนครับทุกเจ้าอยู่กลางท่งนนท่านพักอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมทำไมท่านไม่เข้ามาในหมู่บ้านครับเฮาจะได้นิมนท่านมาฉันในหมู่บ้านครับไม่ต้องรอ ท่านฉันของท่านเองได้เอาละเป็นอันว่าเสร็จแล้วอัตมาจะพาไปให้ท่านช่วยโยมวางใจได้ท่านทราบว่าพวกโยมกำลังมีปัญหาเรื่องถูกผีดิบรังควานที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั่นแหละผีดิบเหรอครับลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามขึ้นพร้อมกันท่าทางตรนกแล้วก็หวาดกลัวไม่ต้องกลัวหรอกหนูรับรองว่าหลวงปู่ช่วยได้ ต่อไปผู้ชายในหมู่บ้านไม่ต้องนุ่งผ้าถุงนอนแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าทาเล็บอีกเรื่องความสวยความงามน่ะต้องยกให้ผู้หญิงเขาส่วนผู้ชายต้องเข้มแข็งและก็กล้าหาญเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่มาแต่งตัวเป็นผู้หญิงท่านถือโอกาสเทศนอกธรรมมากชั้นพัทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วภิกษุวัยส้าจึงพาผู้ใหญ่บ้าน และลูกชายสองคนไปพบหลวงพ่อดำที่ต้นมะขามป้อมใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านเห็นภิกษุรัตตัญูนั่งสมาธิหลับตาอยู่จึงเข้าไปกราบท่านสามครั้งผู้ใหญ่บ้านและลูกชายสองคนทำตามมากันแล้วหรือหลวงพ่อดำถามทั้งที่ยังหลับตาครับหลวงพ่อผมพาผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายมากราบหลวงพ่อครับผมบอกเขาว่าหลวงพ่อ จะช่วยพวกชาวบ้านได้ท่านพระกรูรายงานเราเพียงช่วยแนะนำส่วนการแก้ปัญหาพวกเขาต้องช่วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่ใครช่วยใครได้หากเขาไม่ช่วยตัวเองเอาละต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องอธิบายให้พวกเข้าฟังประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุวัยสสบห้า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 ไม่จริงกระมังครับหลวงปู่ตอนลืมตาดูโลกเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพ่อแม่บางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังต้องพึ่งพ่อแม่ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยทำไมจะไม่จริงนี่หลวงปู่ไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเป็นสัจ ธ, ธรรมสามารถพิสูจน์ได้ทุกเมื่อ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 จริงครับหลวงปู่พูดถูกผมเห็นด้วยลูกชายคนที่สองของผู้ใหญ่เข้าใจได้จับพลันปพระจัดอยู่ในบุคคลประเภทแล้วหลวงปู่จะแนะนำหมูเฮาเกี่ยวกับผีนางแก้วอย่างไรครับเมื่อสักครู่หลวงปู่บอกว่าผีนางแก้วเป็นผีดิบหมูเฮายังไม่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านยังกังขาเขาพลอยเรียกท่านพระครูว่าหลวงปู่ าลูกชยยไปด้วความไม่เข้าใจคือความไม่รู้และเพราะความไม่รู้นี่เองที่ทำให้พวกโยมแก้ปัญหากันไม่ถูกจุดแต่ไม่เป็นไรขอให้ถือซึ่ว่าผิดเป็นครูแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่หมู่เฮาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างไรครับบุรุษวัยห้าสิบเศษถามอีกเพราะโยมไม่รู้จักผีนางแก้วที่แท้จริงนะสิที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั้น ที่จริงก็คือผีดิบผีดิบแปลง่ายๆก็คือผีที่ไม่สุกที่ไม่สุกเพราะไม่ได้เผาและเพราะไม่เผาผีนี่แหละจึงทําให้เกิดผีดิบขึ้นมาอารวาสทําให้พวกโยมหวาดกลัวกันอยู่ในเวลานี้หลวงปู่ยิ่งพูดเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจครับผู้ใหญ่บ้านรู้สึกเป็นงงมากขึ้น แต่ลูกชายทั้งสองของเขาเข้าใจและพูดว่าจิงครับหลวงปู่พวกคนชาวบ้านเขาไม่นิยมเผาผีเวลามีคนตายก็จะนำไปฝังไว้ในป่าช้าลึกๆซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นสิบสิบกิโลถูกต้องพ่อหนุ่มนี่เก่งมากสามารถเข้าใจอะไรๆ ไ, ได้ฉับพลันหลวงปู่ขอทำนายว่าในอนาคตพ่อหนุ่มจะได้เป็นด็อกเตอร์ยมเลี้ยงดูดีๆนะ เขาจะเรียนระดับปริญญาเอกขั้นทำนายทายทักโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอเขาจะมีบุญขนาดนั้นเชียวหรือครับหลวงปู่ผู้ใหญ่บ้านยังสงสัยมีสิถ้าโยมแก้ปัญหาเรื่องผีดิบให้ชาวบ้านได้โยมผู้ใหญ่บ้านก็จะมีโชคสองชั้นโชคชั้นที่หนึ่งคือโยมจะได้เลื่อนจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกำนันโชคทัานที่สองก็คือ ลูกจะได้เป็นด็อกเตอร์คำทำนายของท่านพระครูทำให้ผู้ใหญ่บ้านใจพองคับอกรีบกราบเรียนท่านว่าเฮาขอปฏติญญาณว่าจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะเฮาฝันอยากจะเป็นกำนันมานาน น, า น, นักหนาแล้วหลวงปู่ต้องช่วยเฮานะครับบอกแล้วอย่างไรว่ายโยมต้องช่วยตัวเองอาตมาเพียงแต่แนะนำเท่านั้นถ้าเช่นนั้นหลวงปู่กรณาแนะนามาเลยครับ ว่าจะให้เฮาทำอะไรอย่างไรใจเย็นๆยยมผู้ใหญ่ช้าๆได้ปลาสองเล่มงามก็อย่างที่อาตมาพูดไว้เมื่อกี้นี่ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องใช้หลักอริยสัจสี่ตอนนี้เรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วว่ามาจากการที่พวกชาวบ้านไม่นิยมเผาผีผีดิบที่มาอารวาดอยู่ขณะ น, นี้เป็นผีผู้หญิง ก่อนตายพวกเขาผูกพยาบาทผู้ชายบ้างก่ออาฆาตสามีที่เจ้าชู้นอกใจเขาบ้างก่ออาฆาตที่ถูกผู้ชายหลอกพอตายแรงพยาบาทมันสามารถฝืนแรงกรรมได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งเขาจึงไม่ยอมไปเกิดตามกรรมที่ทำแต่ได้มาเข้าร่างแล้วก็ออกแก้แค้นเวลาหกโมงเย็นเขาก็จะลุกมาจากหลุมเข้าไปในหมู่บ้านเลือกกินแต่ผู้ชาย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 หากในความนิ่งนั้นท่านก็ฟังเพื่อทดสอบปัญญายานของสิทธิ์ไปด้วยผมจะแก้ปัญหาอย่างไรครับผู้ใหญ่บ้านถามอีกให้โยมกลับไปที่หมู่บ้านพาลูกบ้านผู้ชายสักสีห้าคนไปที่ป่าช้าเอาจอบเสียมและมีดเน็บไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมครับหลวงปู่หนุ่มน้อยสองคนถามขึ้นพร้อมกันพ่อหนุ่มไม่กลัวห ร, อหรือไม่กลัวครับ ผู้ชายต้องกล้าหาญและเป็นผู้นำที่ดีหลวงปู่สอนไว้เมื่อกี้นี้ครับหนมน้อยคนที่อายุน้อยที่สุดตอบดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็กลับไปกับพ่อนะแล้วก็พบกันที่ป่าช้าผมขอไปกับหลวงปู่ได้ไหมครับเขาตอรองไม่ได้หรอกหลวงปู่เดินเร็วเดี๋ยวจะหลงกันแสดงว่าหลวงปู่มีคาถาย่นระยะทางเอาไว้ผมโตขึ้นกว่านี้ หลวงปู่สอนให้ผมด้วยนะครับคนฉลาดพูดชดๆดทั้งที่รู้ว่าบิดาและพี่ชายไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดตกลงถ้าพ่อหนุ่มอยากเรียนจริงๆหลวงปู่ก็จะสอนให้